ก็อยู่ที่สัตว์ที่สรี้นข้อมากลองงนอต่อไปนะครับมีอย่างนี้นะต่อไก็มาดูในกาวสารละห่นสาว่าต้องอ่านแบบฟอซิสเสร็จแล้วหามารือกรรมได้นี่นะท่าบอกว่าคำา่าอ่านพันลย กว่าก็ต้องอภัตตาชิตแล้วอภานาต้องแล้วนะครับฉะนั้นถึงจะดำรงอยู่ในแว่ที่สุดก็ไม่สมควรเพื่อจะบรรคุณธรรมมีฌานเป็นต้นหน้าความรู้สึกของเธอไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์นะครับดังกล่าวมาทช่นนี้ไม่บริสุทธิ์แล้วแต่เพราะวิสุทธ์นั้นสิ่งเป็นขันหะเป็นบาศหรือเป็นคงเป็นคนมัตรหรือเป็นสมณะในคนในทมุทติจึงจะสามารถที่จะเข้าถึงสวรรค์ได้ ด้วยการเป็นบุญมให้การเป็นต้นหรือข้อถึงพรานิพานด้วยเจริญมาความมีฌานเป็นต้นเพราะฉะนั้นความเป็นพระนิพพาเป็นต้นของมิจฉุนนั้นชื่อว่าความเป็นผู้บริสุทธิ์ธรรมตนเพราะฉะนั้นท่านจึงกามาววมุ่งความบริสุทธิ์มีการเป็นพระนิพพานเป็นต้นในฆามาลีเนี่ยอ่านปัญญามิจฉุนหาแสงโถงนะต้องแล้วขึ้นการหวันหวางความผู้บริสุทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าหวานความเป็นผู้บริสุทธิ์ในที่นี้นะ ทุกงต่างไว้นะครับไม่หมายว่าหวังความเป็นให้เป็นวิสุทธิ์อีกนะเพราะความเป็นวุทธิ <t> ์ของท่านน่ยจะไม่บนอยู่แล้วครับของท่านนี้นะท่านี้จะไม่จะไม่บนอยู่แล้วเพราะยังไงก็สะม่ช่วยก้อนงามพุนาแล้วครับไม่สามารถหยุดหรือทําายได้แล้วนะแม้แต่สวรรค์ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะินยวาชีแล้วเนี่ยก็ยังอยู่นะครับมีแต่หวังไม่แม่กับแปลว่ามีเยอะแล้ว ถ้าศึกศาสนาไหนับถึงจะสามารถข้ามสวรรค์นะหรือเป็นให้การหรือศสนาหรือมรรคได้หรู้ได้จริงนะถ้าใครไคยฟังเนื้ออาชีพขันธูปอมัสรุนะอาชีพขันรูปอมัสสุเพราะว่านะข้าวอมมาด้วยกองไฟนะเพราะว่าที่ดูนมาด้วยกองไฟนะมีจิตสู่กิรูณ์อิรูณหรือปกติกตนอกจากกิรูป ที่เดินทางข้าองพเ่นเจแล้วมีที่สุดอยู่หกติู๋ปดีกวที่ตั้มาปลาชิ้นไเานาแล้วย่อมร้อนหน้าหหนาต้าไม่กลัวม่ลาเลยนะมีห้องสิบลูกนไม่ต้องปลาชิ้นนะแต่ต้องอันบัตคือําเล็กน้อยนะย่อมมีคืทํำเล็กน้อยต่างๆไม่สึงด้วยไม่ได้ใส่ใจนะครับแต่ห้องสิรูปเป็นผู้พื้นดีรัาจะได้บริสุทธิ์นะทุกอย่าก็คะแนนอีกครั้งคือบ้านสู ็ค he the like um, ืองส่ขิ้นุมาณเรื่องกองไฟมีการก็้าไปนั่งกอดนอนกอนกองไฟใหญ่เป็นต้องนครับว่าถ้าพิสูจนเนี่ยไปนั่งกอดนางกระสางใช่ไหมหรือว่านางนางทานมันมีนะครับอสังทานมันมีผู้วันหน้านะไปนั่งกอดนอนกองผู้หญิงผู้ชายวันหน้าอะไรอย่งการที่จะกอนกองไฟใหญ่เนี่ยมันดีกากันพี่สิบก็ต้าบอกว่าโอ้การเข้าไปกอนเลี่ยผู้หญิงดีกว่าผู้ชายการเขกาไปกอดกองไฟมีอะไร มีแต่ร้อนใช่ไหครับคุณพระเจ้าจะบอกว่าความจริงน่ะการเข้าไปกอดกองไฟใหญ่ดีกว่าร้อาคนเข้าไปกอดกองไฟใหญ่น้วอย่างมากก็ต้งฟันตาหรือล็อกตาใ่ไหครับแต่เพราะาเข้าไปกอดกองไฟใหญ่ไม่ได้เป็นเหตให้ไฟออกมาที่ปกติไม่มีหวังแล้วล็อกตแต่ว่าการเข้าไปกอดนะนางประสทนางอามินีนางข้านันตุนี่นะของข้าวิสุทธิ์จะเห็นเหตุให้เข้าสู่ปมาณที่ปกติไม่หวังแล้ว ที่มีทุกษะสาระมากกว่ากองทัพขอเราเนี่ยนะก็มีเยอะอะไรจะต้องไปกันพอพวกองค์รแสดงจบลงแล้วนะคราพวนของสิลูกนั้นที่เป็นตรชื่นนะครับเร้อนหนังหลังเรื่้านกรอกเลือมาเลยครับถ้าว่าขณะที่ฟันนะจิตใจกับกระสานตัวเลอาล้อนกจิตที่กะสับารนี้น่าทาให้รูกกระทำแปลบวนน้ำรวชใช่ไหมยิงเราีนึ่งปุ่ ก็นะถึงลอลงูกถูออกมาอะไรี้ยแล้วทีสือหกสิลูกนะครับที่มีสีไม่มีไม่ถึัวายิ่นนะย่อมมีอาต่างๆนะครับก็ขอเสริหน้าให้ครับชี่จะเจอท่านสามหน้าจะปฏิบัติให้มนึ้บริบูรหน้านะขอเสรดีกว่าหสิูปขะที่ฟังอยู่ใช่ไถ้าเลือกถึงเสียตัวเองนะก็จะกกลืนกับมสุนี่นะไม่ใชไม่ใให้หมข้อ แล้วต้องจดลิขสินะตามไปด้วยนะคอนจบคมเทศนาบรลุมากกว่านี้งศิษยหาย่วกร้อยแปดสิบคนวามจริงไม่ใช่มีที่สุดแค่นี้นะเทมนาําได้ฟังข้อสุดนี้ครับก็อจะได้ที่สุขั้าสุรัปที่สุที่ย่ที่เราแน่ฟังด้วยนะถ้ามอกว่าที่สุนี้ที่หนาแน่นลูนที่คิดว่าเคยแล้วก็ถามเ็ีคําใี่บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ไม่สามล้านามสิบได้ถ้าว่าสิกงที่เรื่อระ คราวนั้นนห้าสิบปหาที่ครับที่เกี่ยวับปฏิบัติให้มาถึงเมืองอานี응้เพราะว่ามีพวกผู้ที่เสด็จไปนยเสด็จไปแล้วก็ไปเป็นบาลตองครับบาลสองของวัดหรือว่าสมมาณเนี่แล้วก็สามารถปฏิบัติให้บรรลุนั้นถึงข้อานาคาร์รู้ั้นอานาคาได้นี่ฉยนยางมากเลยครับแต่ว่าถึงเมืองรู้ขั้นนี ข้าแรกป็นกาาอุปไลนสิึกองไฟสิ hmm. ่งขงไยนียดยนอยูุ่แจข้อหนึ่งนะยร้อแทนศึกอไเเป็นวัสัต้นเนี่ยชพื่อเป็นความริุทธิ์ของของวิทยนี้ความว่าอวัยวะชัยยะความว่าคุณผ่านอย่างนี้การอย่างไรแต่ที่บอกว่าต้องการแค่ตัวไงการว่าอาจารั้นมีบางโสบ อยู่ก่อนที warranty, ่นีอายุพระพเจ้าไม่รู้ได้ถ่าวว่ารู้ใช่ไหมพระพทเจ้าไม่เห็นได้ถาวว่าเห็นะเป็นมการแก้ตัวผิดฐานนี้เกิดหมดแล้วก็เป็นการเคลื่อนแต่ตอนแรกนะการแก้ตัวผิดฐาใช่ไหมแต่ชาไม่มีความมีส่วนที่มีอายุพระพุทเจ้าไม่รู้ในคานี้คาว่าชานังแกลว่าไม่รู้คาว่าปัสสาวะแปลว่าไม่เห็นนเขำว่าปิดสามวิสามินค์ั่องที่ว่าพระพุทธเจ้าพูด พูดแค้นกับความนี่ความว่าเราได้พูดค่อยๆเรอราว่อไว้จะหเห็นหรือความไม่มีความจริงชื่อว่าพูดแค้นเวาะต้อมการจะหลอกลวคไปถ้าคำว่าอธิการะที่มาแน่แปลว่าไว้แต่สำคัญไม่ได้บรรลุที่ความที่มาแน่หรือสิ่งอะไรแบบนี้หรือแต่ต้องกล่าวว่าที่มาแน่ ใช่ว่าความว่าที่สุดผู้ป่ามล้มีปรสนานะับเมื่อพิจารณาสมคันยกที่สุดทลายนะดเกิดความสมคันว่าตอนทีมนุษย์ทำในความเพียงไม่ได้มนุษไว้จกสำคัญว่าได้มนุษย์นั้นเสียที่สุดบวกเนือธรรมที่ไม่ดีในตอด้วยความถึงนั้นเรวอย่างเรียงต้อมาความชีพนะครัคู่ป่าแล้วมีสนานะคือใครตรงนี้พ่อเวาคนเรุปปสนา ที่จะมาสังเกตุาอยู่ไกลมากนะครับถองกนพาามเพื่อแต่ถึงทั้พยายาอยากนะจะเกิดกระสุนกระจายกระนหรือก็ะสุนกระไายเลยเนะ่ก็แปลว่าอะไรข้าวจะเชื่อสามวัอถึงรมาานะครับที่จะใช้บุตรนั้นถ้ามันได้ศึกษาไม่มีนะครับก็จะหลงติดยนตรงนั้นแหละว่าเนี่ยเป็นมักผลนะครับเกิมานแน่แล้วสันนิษานอะไนะมีวิชาลีีอะไรบ้าง มีความเพียรนะมีมีสติใช่ไหมง่ายนะไม่ก่ามจำได้ว่าสมติก็ได้ชัดเจนนะปัญญาก็ใจยาสติสาปติเลื่อมางเติดขั้พนี้เรายาบแทง อะไรนะอารมณ์พาต่ขยานวก็อะไรไม่อัเีองคาองคองค่าววาีีที่าาดานควา กา่ตีการีตันหานขอถ่ายใครับนี่เปยนตรื่อนตรงนี้มนไม่ใช่สองคนเลยในตันหาที่เราตั้งใจมากมากได้มารู้ตัวเองนตัวนี้ทำานทา่ไนตันหาที่เป็นเรื่องที่เรื่อเราไม่ได้คิดว่าทุนทุกอย่าวันนี้ว่ดีจะยอมอยู่กับการตีหรือเตันหาแต่ที่นอกนั่นน่ะมันดีอยนั่นแหละแต่ะว่ามันไม่รู้ทางมัรู้วุนวายมัชื อย่างนี้นะะคนที่มันมรู้จักให้ดีนะเคอรู้เม็ดการเกียดตรงนี้นะก็จะยึดติดว่าเจอแล้วมาลุงนน้เมื่อเขาเจอแล้วมาลุ้นนะอย่างนี้นะมันก็มีการหุดพานแล้วเพ่ถึงนีือของเรามันก็ติดนะถ้าบอกว่ากี่ในาเรื่างนี้่ะฟังมีกันติดที่น่นางติดไปในพั่ธทกรรมแบบนี้นะก็จะฆ่าบุคคไว้แค่นั้นแหละนะไม่ให้มารู้ถึงที่บอกนอกจากว่าเขาจะรู้ทัน้วยะจะรู้ทันะไม่ติดอยู่ตรงนั้นนะ นต่มาเอาเอาแต่อต่อครับท so like like ี่จริันไม่อเยรนครับแต่ความจมีเยอะกว่านี้นะไม่ใช่ว่าชีวิตศาสนาอย่เดียวนะเราะแม้แตสเนี่ยมัน้นครับแม้แต่การเนสมถะนก็มแง่สองความเกิดและบรรได้หนน้าี่ิบายว่าบทว่าที่มาในน้นะครับที่บอกว่าด้วยความสาคัญมากตอนน้าบรรลุ อีิบายว่าความสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างนี้ว่าเราได้บรรลุแล้วบทีคนเลือกตัวไหให้ดีนะใ้สามพัญถึงเท่ไรครับแคั้น่นี้เตือนอะไรบาเรื่องนเห็นอื่นตัย่งความว่าด้วยความถือตัวย่งคือมาน้ที่แขไปได้ถือตัวเือืองบาง่อน่ทางยาดีนะทาก็บอกว่าครบ ได้พยากามทาราชาผลคือได้บอกหตุวิทั้งหลายมาอาอยู่โถพวกเราได้มารุกข้าราชาผลแล้วอิทธคนลของพวกเราได้ทำเสร็จแล้วอันนี้าพอจ้าผิดนะเพราะยางได้เขียนไม่ได้ที่มนมากเลยครับจิตของเธอเหล่านั้นพูกผงเขียนไได้เนื่อคงเีนไม่ได้นะครับเรื่องหน้านมชาวิปัสนาอย่างดีเลยครับ้วยสมัยต่อมาคือในเวลากระกอกพร้อมด้วยปัญญาถึงตานนั้น เมื่อปัจจัยนี้มีคาาเริ่ต้นเนี่ยเราเป็นข้าศึกมามาคบเข้าเนี่ยย่อร้องไปเพื่อาหักบ้างทีิบายว่าย่อร้องไปเพื่อต้องการความหนักอะไรนู้เหนื่อ่เอ็นอนี่ไม็ข้าข้เสียกดย่ตอนแรกที่เหลี่ยนไม่เกิดข้อเไม้เนะเรื่องแรกคือาถามรื่งรเลือนไหว่านก็ถามขึ้นมาว่าวามสำคัญมากนี้ ย่อมเกิดขึ้นแก่ใครม่เกิดขึ้นแก่ใครนะไม่เช so so so so like ื่อใจใครก็ไ hey ด้ลาวก็เกิดเหมือนกันในเงื่อนไขของเราว่าบุคคลทย์อกว่าย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ผ้ายกษาโลกของเราถ้าเป็นผ้าเยกขแล้วก็ไม่มีเนี้ที่มาแน่เลยนะสามคำคือก็ได้เหือได้บรรลนะครับจริงอยู่ผ้าเยกษาโลนั้นมีโสมนะเกิดขึ้นแล้วด้วยยาเป็นเครื่องพิจารณามากขอนิพพานกิเลที่น่าได้แล้ว และกิเลที tutaj, <Yeah. S 1> then, then. ่ย <Yes. S 1> <The> ังเหลือก็เกิดสมมาด้วยปัจจัยวิช่าณที่มาพิจารณาการนั่เกิดสของนั่้นมาเปนผู้ไม่มีความสงสัยในการแทงตลอดอนิจจคุณถ้าที่ไม่สงสัยนะก็เห็นกระจกชั้นตัวเอที่เขาแล้วก็มีญาติพี่น้ามีรู้เลยและรู้แน่ถ้าเจอมาลูกท่านไหนนะเก็รู้นเขาด้วยหลอนด้วยมือไม่ค่านเคื่อนหน้างานล้นเลย เพาเป็นพรสงนามพระสกทาคามีนาพระเั็นราะเห็นน <that> ั <ness> <that> ้นมานความถือ <ness> ต <that> ัว <ness> จ <that> ึงไม่เ <ness> ก <that> ิดขึ้นแก่พระเนี่ยจากมุ่งหมายมีพรสงฆ์นามเัณฑต้อด้วยต่อหน้าความถือตัวว่าเราเป็นพาะสกทาคามีนต้องที่ว่าเจอเป็นพรสงฆ์นามวันแล้วไปถือตัวสำคันผิดว่าเจอเป็นพาะสกทาคามีนาต้องนิดนึง ข้อนี้นะที่มานันก็ไม่เกิดแทนขานี่บางคนนะที่นี่เป็นนที่หนึ่งเท่าท่านี่บากคนไม่มีความสุขที่ว่าเกิดได้เมันรูกอีครั้งข้อได้เหมัอนูกจริงหรือสามตาหรือนะไรไมือนลูกที่สูงกว่าต่างกันก็ไม่มีนะะครับและไม่เกิดขึ้นแม้แต่คนพูดผู้สีนะครับนี่ก็มมนเกิดนะที่สืพูดผู้สีกั็นไปใช่ไหมครับก็ไม่เกิดันถ้าเกิดก็อาจจะต่างหาือ หน่ขอ้อยสิบเ้าครับถ้ารู้อแกใจก็เจอเป็นบาลานซ์ได้ใช่หครับดีๆข้าใจเดียเจอแม่มาลูกดีเยแต่ไม่ได้พรู้่แก่ใจเพราะว่ากคนผู้ทุ่งสีนั้นเป็นผู้หมดความหวังในการรู้อรไยกับคุณทีเดียวหมดหวังเลยนะถ้าว่าเหมือนกับอะไรย่างี้ยหบะคนจันทร์ทาหมดหวังใน้าสิบสองบาทเลลั้หรือไม่มีโอกาสที่จะได้มาลูกเลย เดีายว่าแต่เ huh. น <H ả? S 2> ี่กคุณเลยแม้แต่จังหวะที่วก็ไม่ได้นะได้เป็นอยู่ทีทั้งที่เกิดขึ้นแต่แม้แก่ผู้มีสีนะครับผูงมีสีนะซึ่งสละกรรมฐานสีนะครับไม่ใชงก็รมฐามันร่วบัจนานะครับแล้วกาประกอบเพื่นความเกียจข้ามมีความเป็นผู้ดินดีละความหลัหนอจะต้งอันนี้ความสามมิก็ไม่เกิดครับูแลเอาเาหนึ่งทิ้งเองดูีนะครับที่สำคัญคื แต่ครับจะก่อึ้นแก่ท่านผู้ร่ำเริยนนิพพานนะครัมีเฉี่ยปบนิสิทธีไม่เป็นมาในธรรมฐานข้านพ้มข้างพ้มความสงสัยแล้วพร้อมหวดงานรูปนะครับในแนวที่เด็ดเนไปแล้วจับปัดใจได้าเปยาที่สองนะรบยกใจละนะครับขึ้นพิจารณาสังขารที่ไหนอยู่ขึ้นถึงขพิเศษอย่างนี้นะครับดีเลยนะ ที่นา่ร่างนะครัแล้วกับรูปกระทำนึี่ว่านะแง่ความสำคัญก็ได้บรรลุเกิดขึ้นแล้วย่อมภาคบุคคลก็ได้สมถะนุนล้วนหรือผู้ได้ปริสนางุนล้วนเสียในการนั้คแม้แต่ที่มันสมถะนุน้วนเนี่ยนะก็คงเกียไว้นมรรฐานุคลนั้นนะสามฐานบคคลอะยอคบถ้ามอกว่าผู้ได้สมถะนุ้วนนะหรือได้ปรสนาลุนล้วนนะครับจากภาคส่วยว่าขาัมพนธะคั ไมสื่อต่อไปอีกนะคนที่อะไรนะเรนสัญลักษณ์ชื่อกนีชื่อเขาบอกวเป็นนูนะภากาจนชื่อเขาบอกอะไรนะสมาครูสมัครูสัครูอะไรไม่รู้จีนรู้ีนอคือกขานของหวานไม่มีหรอเพราะว่าข้าวชานมาใทยชาดมีของที่ดีๆท่ได้ยินมาในไย เจำนกได้เลยเพราว่าแต่เราข้อมงว่ามีตัวการ์มีประจานนกนไ้่ม่ี่เจน่นี่ยนะแล้วคั้งอยู่คนนั้นเมื่อไม่เห็นความค้งขึ้นแห่งกิเลสนะครับตลอดสิปีโอ้มัได้อย่างไรเี่ยได้พลังของประหาโฆษณาเงียทั้งนนนู้เลยไม่้งเลยตรอดสิปีบาก ยี่สิบปีบ้างสาสิบปีบ้างแต่ไม่สำคัญสุข้รู้ไว้สสิบปีจะเปียนไม่คงนะย่อความเสีว่าเราเป็นข้าสวลาบันหรือม่เราเป็นข้าพเาทานีหรือว่าเราเป็นข่าอาทานอแต่ความสาคัญว่าใด้มารู้นั้นย่อตั้งบุคคลผู้่าคทั้งสำคัญหาและวิปัสสนาไว้ในข้าแต่สงทีหมดในว่าผู่ใดก็สนคัญระนาเนี การจะต้อนใจผิดจาเจ้มือ่าถึงลาบันนะถึงฆ่าอาหารยังไม่เข้าใจว่าถึงฆ่าถึงนะเข้าใจถึงฆ่าอาหารมีครับแต่ถ้าตรวได้ทพีงสองอย่างนะนี้จะขไมว่ได้แน่มีผมกเดมวแน่เีความนะผมไม่เข้าใจมากคือตัวรู้ึงฆาถึงเลยนะครับอกว่ากิงอยู่บุคคนั้นข่มเหนียบทั้งไหนได้ด้วยกำลังสมาธิกำหนดสงาร์ทา้งไหนได้ดี ด้วยกําธิปัสสนะองค์ท่านนี้คำว่าของใช้กับสมาธิจร mm. uh ิงเมื huh. okay. well. hmm. yeah. mm ่อสมัครฐานฐานดีดีด้วยสมาธิปัสสนะองค์ท่าะนั้นเจริญฐานทีเมื่อพุงขึ้นตลอดะครับพอสุดไบ้างตายสุดบ้างน้อดีบ้างเพราะขนาดนี้ไงทีเดียวไม่พุ่งไงนครัวยอำนากําลังของสมาธิปัสสนาสองอย่างบวกกัน พอถาผมวันน wow, ี้นะาร้ายักษก็พิจาราข้อมูลทาได้เลยเสียไม่ปุ้มเลยพิจารณาเมอร้อนตื่ชุความเชี่ยวชาญจิตเป็นเหมือนของข้าวีน้สงนครับหรือถ้า่านเลยนะเสียไม่คุ้มครับบุคคลนั้นเมื่อไม่เห็นความคุ้มก็เหน็ดเหนื่ยตลอดเวลาีนาำด้วยอาการอย่างนี้ไม่อยู่ในการคันเลยครับจึงสาคัญว่าเราเป็นผ่าหานช้เลย การเกความเข้าใจผิดแน่นนครับถ้าคนที่เข้าใจผิดอย่างนี้นะแล้วพยาากรความเป็นข้าที่ยกนคนนี้จะเล้อไม่เรีตนนามไม่เตนนามรินนะมีนนามเองถามเหมนะแต่นี้จะหน้าที่มาแไม่ไ้ับจลตอบบไหมือนนี้ได้นะบอกไครับ ความิ่งนี้ไ่ี้ยนะต่อไปก็จะมีชงนั้นนะมีใช้ที่หาอากาศให้กันเนียกะเกี่ยวกับการปูดิ่งนครับกระดึ่งนี่เปความน่าหยาบต่างนะมีการปที่เาเป็นวารที้นะครับปูแค่ไหนเป็นแค่ไหไม่เปนะทัางไร่แต่ราไาชาเลยนะนีเราหอวนี้ เพราะอันที่เป็นแผงเนี่ยเป็นหัวข้อนะครับสี่เท่าไหนสี่หกสิบครับสี่ร้อหกสินะครับเอาว่าอันนหัวข้อกว่ายได้แงนะครับนสีร้อหกสิบนะครับตอนนี้เป็นเต้นเรื่องการทำนะครับก็คืออย่างแร่ชานะหัวข้อไม่สายได้นะสายตรงนี้เลยนี่จะเป็นความที่หมายเลยที่ว่าชานะครับ ก็ได้แก่แต่การมืองทางมันอยู่แต่ทาเลยถ้าจตในภาพพิพากก็ืึงการแต่งานเชื่อวิโมกขวิโมกเีชื่อของพานิยมมากเนี่ยวโมรืองพานิยมากนะครับได้แก่สุญญากางวโมอันนี้มิสามิโมอันตรีวิสมิโมกเป็นสุญญากาศข้อไข้อว่าาาไเลยครับอันนี้อเพราะว่าม่มีที่มันมีไม่ได้ คือมันไม่ใเที่ยวไม่มีไม่มยคือไม่มีอาการที่เป็นเกล็ดใหกเกอันนี้านี่ไม่มีใว่าเห็นนยอันนี้ขาคุณไม่มีอาการที่มีเห้กเกล็อารกนิสกาคือความตั้งไม่มีอารกิก์ขกีเด็ตที่ตั้งวนะครับมีราคา่าขึ้นเลาค่าตัวสาวมัวหมองเรียกว่าอารกนิสก์ขาความที่ตั้งตัวอันนี้ถ้าไม่มีความที่ตั้งตัวนี้ให้เียกว่าารนี้ อนนี้ว่าปฏิัตนเรียองกไรแต่ในเร่องก็คือารปฏิบัติอย่างับว่าเรื่อครขันธ์หนึ่ามชื่อขนหนามนิโมอนิจจสามนิโมอันนี้ามนิโมที่ชั่ว่าสมาีิตอนนี้ก็หมายถึงที่บอกว่าเรื่งมั่งหรับเปลาเร่มาธิในาษาไทยนะก็ได้แก่ขีณาาสมาี่อันนี้มีสาสมาี่อนี้มีสามสมาธิที่ชั่วสมาบก็ได้แก่ผลสมาบับ ถ้าเป็นชาสมาบัติอะไรพวกนั้นนะไปรวมในชาข้อหนึ่นแ้นะมีในชาหนึ่เลยนะแต่ถ้าสมาบัติไ่ี้มาเอาหรสมาบัตินะครัก็ได้แก่สี่มิตาสมาบัติอันนี้มิตาสมาบัติอภินิปกาสมาบัติที่ช่วยยานได้แก่วิชากาศูะครับภูเพจูในต้อนิยานนะครับหลายอย่างนะครับที่ช่วมากกว่าพันในก็ได้แก่ ประานสี quantity, alls, ่สมัชชประานสี่ที่วัดสือตัวสี่ห้าคณาสีอรงเจ็ดอะไรมาอ่างไรนี่เหรอเนี่ยหัวย้อนไปได้เลยครับความัชช์ไม่ใช่แค่นี้นะที่บอกหัวใจนี้สถิติประธานจะลงก็จะได้เพราะติประธานจะลงกีนก็มีนะงานกีเหลือวใจหลังถ้อสิประธานจลงนะหรือตัวพูดว่าสถิติประธานเท่า ผมไน้รู้สติปัฏฐาน่จใจหน่อยจึงสติปัฏฐานเราจึงหน้าเร็วเร็วแต่ถ้ามาลุกสิปัฏฐานนี่จะโลภีโลภโยมเนื้อเนี่ยครับก็ได้แก่เพรที่ปัจจัยความนี้คือการเช่างชื่อว่าการทำให้แจ้งซึ่งผลนะครับได้แก่การทำให้แจ้ซึ่งโสนาปฏิผลกิจการทำให้ผลอนาคทําผลแล้วก็การทาให้แจ้งซึ่งหนกของผลเ่ชื่อที่ชื่อว่าการรักก่เล ได้แก่การละอาลัสชาการละคงสัตการละมูหะที่ช่วความเปิดกิดได้แก่ความเปิดจิตจาาัสาความเิดจากคงสาตความเิดจากมูหะที่ช่วความมีน่เนนมาบ้าตาได้แก่ความมีเรนนมบางตามด้วยบาสมีานนะครับด้วยปีญญาฌานต่ปาแล้วก็ด้วยใจฌานต้องมากาความม่ง้มฌานตลอนะครับนี้ไปนนี้เป็นหัวข้อเน วิธีการัวดถ้าอย่างผู้บาดอะไรละเอีเลยครับตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อว่าชานนะั้งแต่ข้อว่าชานถึงการทําไม่แก้ตัวผมเนะวิธีการอวดแค่ชานเลยครับอาเรียที่ไม่ควถึงเรียกผนะถ้าตัวไม่เรยกไ่คเีย เน่้งแต่ชาเราหรืการช้ไม่ใช่ผลมาตะผลนะถ้าก็ปวดตะผลนีถ้าพร้าเข้านะเราเข้าตะผลมะชาแล้วนะเข้าตะผลมะาแล้วเข้าตมมะาอยู่เข้าตมผมะาได้แล้วเป็น้แรของตะผมชาเปนผู้ชนะของตะผลมะชาทให้แก้ละขึ้นมตะมชาตรนี้น่าตั้งแต่ชาเนื้อหาตะผลเลยนะเขาปวให้ค้ายนี่นะ เป็นผู้เข้าในงานตะพนทีนี้นะยากไปนะเป็นเหมือนะไรของการที่ที่ผมห็ือดบดนึ่ในการเมืองศิล้างล่านี้ะการงานศิลปไทยกไ้างหดของเรื่หม่ไม่มีนะไมีอรอันนี้คยังอะรก็ค่อยนองนี่นะครับ ผมว่าข้อและข้อมันเป็นผู้ได้ผู้ชนะนะข้อแต่งงานหรือเนี่ยนะของในพูเหมือนกันอย่างว่าการละเสน่เนี่ยก็ดไปตรงๆเลยว่าว่าข้ามข้าวละลา้าวละคุณละมุกหนะนะหรือว่าเนยทำอยา่นก็ได้นะนาข้าเข้าจ้าวลแล้วนยหรือว่าสลัดแล้วปล่อยแล้วายแล้วสลัดแ้นเพื่อนละถอนแล้วนะก็มีคำว่าหนุนคำว่าลทั้งหมดนะก็ไป็นละ มีความปิดกิจอันนี้ก็มดตรงตัวนะไอ้นี้เี่นระนาดฐานก็ตรงทางนี้ในนี้นะในนี้เป็นข้อต่อไปที่ฐานฐาให้ต่อนะใน่น้าตไปเรื่องในความขึ้นมาดึงเรื่องในความขึ้นมาเมื่อกี้เราอ่านเป็นระนาชาอะไรบ้าเในคำว่าปฐมมัาฌานเป็นต้นั้นมีนี่ไนนนี้อาประมายาชามีเมการชาเป็นต้องมีอสุภชา เป็นก้องดีอะไนก็้วแติฌานก็ดีโลคีฌานวีโรเปตะานฌานก็ดีส่งข้อข้อในบทมชานเป็นต้นก็อยู่ในความฌานนะแต่ผมไม่ฌานถือว่าฌานนะจเป็นฌานอยู่ในอะไรนิดนึงก็ตั้งแต่ปัจจุบันทำไมเชื่อปัจจุบันแต่เียนว่าละก็ว่ามีามรรมมาประมาณไ่ได้นะพอเจอมได้าะาแผลในในสัตว์นามธรรมไ่ ่ใช totally ่ที ra, để ta, để ta. Anymore, tra, ่เราศ้กษาเขาีเื่อที่ว่าอะไรเป็นเรเกียรชาหรือว่ากล้ชาเกล้าแต่สองข้อนนี้ความว่าปฐมชาเป็นต้นที่ตั้งถึงข้อกของเขาปฐมชาตที่เกียรติชาเนี่ยเกีอรติชาเกล้าชาเรียนี่ปนนะอยนนั้นเมื่อที่สวดว่าข้าพเจ้าเข้าปฐมชาแล้วพอดีข้าพเจ้าเข้าเกล้าเก้าชาแล้วก็มีว่าข้าพเจ้าเข้าเมตตาชาพอดีพ้าพเจ้าเข้าเมตตาชาพอดี ือเข้าถึงพระชานาวัตติชายเข้าโรตียะชาเข้าเวกิลัชายแล้วก็ดีเราคุมข้าวเป็นปายทั้งนั้นตอนกลางนี้ผมเขียนไว้ไม่ถึงไหมแต่จะไม่ใช่แล้นะใช้ธรรมนาค้นนะครับไม่เป็นงานบัตรใช้ธรรมนาค้นไม่เป็นงานบัตรเออที่ตอบใช่เป็นปายทิพนั้นเขียนลงไปก็ได้นะว่าใช้ธรรมนาค้นไม่เป็นงานบัตร ทำอะไรพนเงินเขาจักนะครับพะเจ้าจักเข้าโลกุตระชานี้นะมันจะเป็นอาณาพ้นไ้ยุ่ใจนครับมันก็เข้าและข้าอนึ่นะครับถ้าเข้าและเข้หนึ่โรนะอดีตชาติมันยิ่นครับแต่ถ้าแดนนาคนไ่เป็นไงม่โรนยจักเข้ากุตตระแล้วควจริง้าเนี่ยจะบอกเปนันถ้าแน่จะบอกว้ามีคุ่ความข้าวา ถ้าบอกว่าในชาติที่แล้วเนี่ยข้าพเจ้าได้เข้าศูนย์าวันนี้ก็ไม่เป็นเท่านั้ถ้าในอดีตชาอะไรนั่นเป็นหรว่าข่านีชาติี่เป็นครับข้าชาเลยครับมีผู้ชาติตอลครบขอเลยแลาว้อตอนี่นี้ด้วยกันครับถ้าจะมาศึกษาบัตก็จะมาปัจจุบันนี้คัหรือมันเป็นอย่างนั้นก็จริงครับแต่การถึงฐาในอดีตแลวก็ฐานในวันนีครับนี่เป็นบบที่ครับต้ก็ขัในปัจจุบันนะนี่นะ อย่างนี <hertz> <N> ้ไม่ใช่ข้าวบ้านเนี่ยเดี๋ยวันรุ่มวันรุ้งชานี้มันบอกอย่างนี้วันรุ่งแล้วเข้าวแวกล่งเข้าวแล้ว